่เป็นเพราะมันเป็นนามมาทำอ่าพอท่านรู้อย่างนี้ปับ๊บท่านก็เจริญเอาตัวรู้มาดูตัวเกิดดับคือจุดตัปปญญาเนี่ยจุดตัจุดตัจิติมาจากจุติคาว่าดับแด้อุบัติคบว่าเกิดและยานเอายานเข้าไปรู้การเกิดดับอยู่ตลอดคือเอาตัวรู้เข้ามาดูลูปนามตลอดเวลาอ่าเสร็จแล้วนั่นแหละเราจะได้รู้ว่า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 เมื S <S <an imate> ่อเราเพลินในเวทนาทั้ง3เพราะตัววิชาเข้าไปตัวสติเข้าไปโสมณัสสเวทนาตัวสุขเวทนานั้นจะเปลี่ยนมาเป็นพอเราไปเพลินตัวสุขเวทนาก็จะเปลี่ยนมาเป็นโสมณัสสเวทนาพอเราเพลินในทุกขเวทนาก็จะกลายมาเป็นโทมณัสสเวทนาพอเราเพลินในทุกขโมสสุขเวทนามันก็มาเป็นอุเบกขาเวทนา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 หรืออาจารย์ท่านก็มาขยายเป็นหลักวิชาพเพื่อให้ศึดอดศาสนาเท่านั้นแต่ในภาคปฏิบัติถ้าเราไม่ใส่ใจต่อการเฝ้าดูการสังเกตก็มันจะไม่มครอบคุมกระบวนการเห่านี้ทั้งหมดแต่เราก็มาใส่ใจมาสังเกตตลอดนะนั้นแต่ละตัวก็จะมีรายละเอียดการยมิตสามมีอะไรบ้างขยายไว้ไหมต้องไปดูดิมีไหมก ย, ยมิสสาม อ่าแล้วก็สธาสสัมปชัญญะสโยนิสงฆ์นัิการอ่านี่ไงกริยานมิตรทําให้เกิดอะไรคือปัญญา3ประการคือหนึ่งได้ยินได้ฟังสองฟังแล้วมา พ, พิจารณา3ามเอาไปทำก็เกิดเป็นเราก็มีกริยานิสหายตาก็คือมีเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันนี่ถือว่าเป็นสายนะกิริยานิมิตรสมมุติวันหลงพ่อทําหน้าที่เป็นกริยานิมิต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 ตัวนี้อธิบายไปแล้วนะสี่สังวรเกษีสามวิจิตรสามมนโนสิสามที <c oughs> ่ประธานสี่โคชงเจ็ดแล้วก็ทีมั่งเปองค์แปดแล้วก็วิชาวิมุตตันหลักทั้งหมดที่เราอธิบายไปเมื่อวานซึ่งเราก็มาลงมือปฏิบัติวันนี้มันยากมั้ยยากกับฟังใช่มั้ยฟังเดี๋ยวเก็จบใช่มั้ย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 เพราะนั้นเราจะเอาทุกเราเอารมอยู่ที่ ต, ตัวตัวอะไรสมาธิธแล้ทีนี้ก็ทำให้เรามาปฏิบัติได้อย่างในวันนี้นะนแต่ว่านนในช่วงปฏิบัติแรกนีก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกทำไปเรื่อยๆใสทนทาและทำทนแล้วเมื่อค่อยดีขึ้นนะตกลงเอาแค่นี้พอทำวัดต่อเนาะ